ธรรมบทแปลเรื่องพระละกุณทกะพัติยะเถระภาคที่สี่เรื่องที่ห5สิห้าประสาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระละกุณทกะพัติยะเถระรพระธรรมเทศนานี้ว่าเสโลยถาเอกาโน วาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาภงสาสุนะสัมมินชันติปันติตาแปลว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดบัณดิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงเพราะนินทาและสันเสริญฉันนั้น ตอนพระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็กได้ยินว่าซาธ ม, มิก ค, คือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นสามเณรซึ่งเป็นปุถุชนเห็นพระละกุณกะพัิยเถ ร, ระแล้วก็จับที่สีสะบ้างที่หูบ้างที่จมูกบ้างพลางกล่าวว่าอาจจาอาจา อาไม่กระสันยังยินดีแน่งแฟนในพระาศาสนาหรือพระเถระก็ไม่โกรธไม่ประทุสร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันในรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเถิดสาธรรมิกมีสามเณร เ, เป็นต้นเห็นพระละกุลกะพัตยเถระแล้ว ย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลยก็เมื่อพระศาสดาสเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องชื่อนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละ วิสุทธั้งหลายธรรมดาพระกีนาศพย่อมไม่โกรธไม่ประทุสร้ายเลยเพราะท่านเหล่านั้นไม่วันไหวไม่เสเตือนเช่นกับศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสื่อพนุชนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าภูเขาหินศิลาทั้งแท่งย่อมไม่สถานเสเตือน ด้วยลมชันใดมันดิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงเพราะนินทาและสรนเสริญฉะนั้นบาลีว่าเซโลยะถาเอกาโนว่วาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาปะสังสาสุนะสัมมินชันติปันทิตาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า นินทาประสังสาสุแปลว่าเพราะนินทาและสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโลกธรรมไว้สองก็จริงถึงอย่างนั้นพึงทราบเนื้อความโดยรวมโลกธรรมแม้ทั้งแปดอธิบายความว่ า, วาเหมือนอย่างว่าภูเขาหินศิลาทั้งแท่งเป็นแท่งเดียวกันคือไม่มีโปรง่งย่อมไม่ส탄นสตียน คือไม่เอนเอียงไม่หวั่นไหวด้วยลมต่างด้วยลมพัดมาแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นแม้ฉันใดก็เมื่อโลกกระทแม้ทั้งแปดครอบงำอยู่บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอนเอียงคือไม่หวั่นไหวไม่เสะเตือนด้วยอำนาจความยินดีหรือยินร้ายฉะนั้นในเวลาจบเทศนะชวนเป็นนันมากบรรลุ เรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระกุณฑะพระติยะเตระ